มาเจริญกรรมฐานในรูปแบบนั่งนั่งคัดสมะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำตัวตรงๆใครมีโทรศัพท์ปิดเสียงก่อนนะ นั่งสบายๆไม่ต้องเกร็งนั่งตรงแบบสบายหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นั่งทำความรู้สึกตัวนั่งเพื่อให้กายนิ่งแล้วมาดูว่ามันไม่นิ่งจริงมันหายใจ มันก็หายใจตามปกตินี่แหละเพียแต่เราทำความรู้ตัวเพิ่มขึ้นมารู้ตัวว่ามันหายใจอยู่ เวลาเห็นกายก็หายใจเนี่ยไม่ต้องไปบังคับแค่ดูกายนี้ก็หายใจตามปกติจะหายใจเข้ายาวสั้นอย่างไรแรงเบาอย่างไรไม่สำคัญสำคัญแค่ว่ารู้ไหม ระลอกได้ไหมถ้าไปคิดถึงสิ่งอื่นแสดงว่าไม่ได้รู้กายแล้วก็กลับมา เห็นกายเนี่ยมันเหมือนเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งที่มันเคลื่อนไหวได้หายใจได้ใจเพียงแค่มีสติรู้ตัวมันเหมือนเป็นมิติเป็นมิติแยกมาต่างหากกายนี้ถูกดูจิตเป็นผู้ดู เวลาดูกายเนี่ยดูลงปัจจุบันไปเลยขณะนี้เดี๋ยวนี้กายเป็นอย่างไรดูลงไปตรงๆพอลืมปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเริ่มคิดตอนคิดเนี่ยลืมดูกาย เห็นกายอยู่เรียกว่ามีสติรู้กายเผลอไปคิดก็ลืมกายรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปมีสติรู้จิตอันที่ตั้งของสติที่เราจะไปรู้เนี่ยจะดูกายก็ได้พอะเพอไปก็ดูจิตก็ได้ เรียกว่ามีสติรู้กายบ้างมีสติรู้จิตบ้างรู้จิตแล้วไม่ไม่ให้อยู่ดูแลเลื่อนลอยเห็นความเผลอแล้วทามันเลยลอยไปก็กลับมาที่กาย เพราะกายนี้ก็แสดงไตรลักษณ์ได้จิตก็แสดงไตรลักษณ์ด้วย ดูกายก็เพื่อรู้จิตเอากายเป็นที่ตั้งพราะความเผลอเกิดขึ้นความเผลอเกิดที่จิตก็ดูที่จิตเห็นความเผลอคือเห็นจิตด้วยแต่ไม่ไปไม่ไปสนใจเรื่องราวที่คิดเห็นความเผลอบ้าง เห็นราคะบ้างเห็นโทสะบ้างตอนที่มีสติเนี่ยมันจะเห็นตัวสภาวะตอนได้เห็นเรื่องราวต่างๆรู้เรื่องราวต่างๆขณะนั้นเผลอไปการเจริญสติไม่ใช่ไปรู้ว่าคิดเรื่องอะไร แต่รู้ว่าเผลอไปมีสติเห็นว่าจิตมันไหลไปตอนเผลอและไหลด้วยเนะี่ย มันจะเผลอไปฟังฟังแล้วมันก็จะแปลความทันทีว่าเสียงรถเสียงไก่เสียงคนแต่ตอนมีสติพร้อมทั้งสมาธิเนี่ยมันจะเห็นจิตไหลไปจะเห็นจิตไหลไปได้ก็ควรฝึกจากการเริ่มให้มันอยู่ในที่อยู่ก่อน ในที่นี้เราจะอาศัยกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นที่อยู่พอมันเผลอไปให้รู้ทันพอมันเคลื่อนไปให้รู้ทันแต่ต้องให้มันอยู่ในที่อยู่ก่อนจึงจะเห็นถ้าปล่อยมันล่องลอยมันก็รอยอยู่แล้วสังเกตไม่ได้ แต่ก็ไม่ต้องไประวังจนเกรงจะเสียงมิจะมีเสียงมาเมื่อไร่จะคอยดูไประวังจนเกรงก็ผิดปกติทําใจปกติดูกายนีห่หายใจไปตามปกติอันเผลอค่อยรู้ทันมันเคลื่อนไปค่อยรู้ทันไม่ต้องไปจ้องระวังไว้ก่อน รู้แล้วก็ไม่ปล่อยลอยรู้แล้วก็กลับมาใหม่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจิตมันจะพอพอในที่นี้คือมันสะสมข้อมูลจนพอจนมันประมวลเป็นปัญญาขึ้นมาได้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมีความเปลี่ยนแปลงไปกายนี้ก็เปลี่ยนแปลง กายที่หายใจเข้าเกิดมาแล้วก็ดับกายที่หายใจออกออกแล้วก็ดับขยับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่มีขณะใ ด, ดที่อยู่นิ่งสักทีจิตเองก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับถ้ามันส ะ, สะสมข้อมูลจนประมวลมาเป็นปัญญา ได้มักผลขึ้นมาปัญญาขั้นแรกจะเห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรามันเป็นเพียงสภาวะ ร, รูปรูปธรรมก็เป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟนามธรรมก็แยกออกไปเป็นความรู้สึกเป็นความจำเป็นความคิดปรุงแต่ง เป็นตัวรู้สภาวะต่างๆสภาวะโดยความจริงแล้วเดิมมันแยกอยู่แล้วแต่ความเข้าใจผิดนั่นแหละไปรวมมันมากลายเป็นเราบ้างเป็นเขาบ้างเรามาเจริญสติเพื่อกลับมาเห็นของจริงว่าแท้จริง มันเป็นเพียงสภาวะต่างๆมาประกอบกันไม่ใช่ว่าเดิมมันรวมกันอยู่แล้วเราไปแยกมันแต่เราจะทำให้เกิดปัญญาเห็นของจริงว่าแท้จริงมันแยกกันอยู่แล้ว พอสมควรแก่เวลาสาหรับการปฏิบัติในรูปแบบนั่งในเช้าวันนี้ก่อนจะออกจากการเจริญกรรมฐานทำความจดจ่อที่สองช่องจมูกหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวขึ้นมาจดจ่อที่สองช่องจมูกหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วตรงความรู้สึกที่มือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวามาคว่าที่เข่าด้านขวา มือเคลื่อนไปมีใจรู้สังความรู้สึกที่มือซ้า ย, คยกค่อเคลื่อนมือซ้ายมาคว่ำที่ข้อด้านซ้ายมือเคลื่อนไปมีใจรู้คอ่อเคลื่อนมือขวามาเตรียมพนมมือที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกบเป็นดอกบัวตูมพนมมือที่กลางหน้าอกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำแล้วจนถึงขณะ น, นี้เวลานี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาปุญกุศลใดที่ทำแล้วปฏิบัติแล้วขอ น, น้อมบูชาแด่พรตัตนไตรยัยบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธาาิปสาพิชาตั้งทางโลกและทางธรรมอุทิศให้กับผู้มีพระคุณของเราให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กาเนิดในชาตินี้และทุกๆชาติที่ผ่านมา ให้กับญาติพี่น้องทั้งหลายที่ให้ความเมตตาอุปถรัรมภ์ข้าจุนให้กับญาติมิตรทั้งหลายที่เอื้อเฟื้อกันมาแผ่ออกไปถึงบรรดาเทพยญดาทั้งหลายที่ปกปักษ์ศาสาสถานที่แห่งนี้ปกปักษ์ศาาพวกเราอยู่และปกปักรักษาประเทศชาตินี้ให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีกําลังในการดูแลพวกประพฤติปฏิบัติธรรม ให้เราและผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้มีกำลังในการเจริญภาวนาต่อไปถาวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งพระราชาวงทั้งหลายให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นศาสสนุปธรรมปกปกแผ่กลุ่มให้ความร่มเย็นกับพระศงนิกรชาวไทย แผ่อไปไม่มีประมาณกับสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์ได้มีทุกข์อยู่จงมาอนุโมทนาขอให้บุญกุศล น, นี้ที่ท่านอนุโมทนาแล้วจงให้ท่านได้พ้นจากทุกข์นั้นไปสู่สุคติถ้าท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เคยล่วงเกินกันมาเราเคยได้ล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างไรขอบุญกุศล น, นี้จง เป็นเครื่องบรรณาการให้ท่านทั้งหลายได้มีจิตสมนัตให้อภัยซึ่งกันและกันไม่จองเวรกันไปขอสัตว์ทั้งหลายจงมีสุขจงอย่าจองเวรซึ่งกันและกันเราทั้งหลายทุกคนในที่นี้ก็จะตั้งใจศึกษาถ้อย ร, รมของพระพุทธองค์นำมาประพฤติปฏิบัติให้ถึงความปนทุก์ด้วยกันทุกท่านทุกคนอธิฐานแล้วก็ยกมือขึ้นจบที่ศีษะ แผ่ไม่ตาพร้อมกันอีกครั้งัพเพาาสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศปุนกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด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 อันนี้ก็จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสินนี้เถิด